เรื่องหลวงตาเจ้าขาอย่าทิ้งพวกเราโดยจิราพรแซอึง้งคุณหลวงจัดพิมพ์หนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นเพื่อเธอทูลพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวซึ่งลูกศิษย์ทุกคนเคารพรักเธอทูลท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้ ความเมตตาขององค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วสามแดนโลกธาตุองค์ท่านอยู่ณที่ใดที่นั่นชุ่มเย็นไปหมดพระคุณขององค์ท่านนอกจากการสืบต่อรักษาพระพุทธศาสนาและปกป้องประเทศชาติรักษาคลังหลวงแล้วท่านยังมีเมตตาสงเคราะห์สัตว์โลกให้ได้รับความอบอุ่นความช่วยเหลือเจอจุนแผ่ไปทั่วประเทศไม่เว้นแม้ประเทศเพื่อนบ้านก็ได้รับความเมตตาสงเคราะห์จากท่าน ในส่วนของข้าพเจ้าจะขอเล่าถึงความเมตตาที่ข้าพเจ้าได้รับจากองค์ท่านทั้งๆ ท, ที่ข้าพเจ้าเป็นเพียงลูกศิษย์ ต, ตัวเล็กๆไม่มีความสลักสําคัญไม่ได้ใกล้ชิดกับองค์ท่านแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเพราะความมุ่งมั่นในการเดินตามรอยองค์ท่านในเส้นทางธรรมและเชื่อมั่นศรัทธาในการที่องค์ท่านได้ออกมาเป็นผู้นําในการปกป้องรักษาชาติศา ส, สนาพระมาหากษัตริย์ทั้งๆ ท, ที่องค์ท่านก็ชาราภาพมากแล้ว หากเป็นปุถุชนทั่วไปก็เป็นไว้ที่ควรพักผ่อนอยู่กับบ้านกับลูกหลานแต่เพราะความเมตตาขององค์ท่านอยู่เหนือสิ่งใดท่านจึงยอมลำบากกับาธาตุขันในการนำองค์ท่านออกมาทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ราวปีพศ2535แมวเพื่อนสนิทของข้าพเจ้าซึ่งเป็นญาติผู้น้องของท่านอาจารย์สุธ ร, รมสุธรรมโมแห่งวัดป่าหนองไผ่จังหวัดสกล น, นคร ท่านอาจารย์สุธ ร, รมเป็นสิทธิ์องค์หนึ่งของหลวงตามหาบัวแมวได้ชักชวนข้าพเจ้าให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าหนองไผ่เราได้ไปแหว่ใส่บาดหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีกันก่อนขณะนั้นหลวงตาท่านกําลังบินทบาทอยู่นั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้พบองค์ท่านและมีบุญได้ใส่บาดองค์ท่านด้วยเมื่อใส่บาดเสร็จน้ําตาเห็นความปลื้มปีติได้ไหลออกมาไม่ขาดสาย ทั้งๆที่ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักท่านเลยหนังสือธรรมะของท่านก็ไม่เคยอ่านมาก่อนแต่มีความรู้สึกภายในล้าลึกเสมือนว่าได้พบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพรักสุดซึ้งที่ได้จากกันมาหลายภพหลายชาติเมื่อได้พบกับองค์ท่านแล้วใจจึงมีแต่ความปีติยินดีซึ่งความรู้สึกดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นกับพระอริยสงฆ์องค์อื่นๆที่ข้าพเจ้าได้เคยกราบมาก่อน เมื่อกลับกรุงเทพพี่เบญจมาดเพื่อนรุนพี่ที่ทํางานที่เดียวกันได้ชักชวนให้ไปกราบหลวงตาเวลาที่ท่านมากรุงเทพและพักอยู่ที่สวนแสงธรรมพุทธมนตรสายสามซึ่งข้าพเจ้ามักจะหาโอกาสแวะเวียนไปกราบท่านและทําบุญกับท่านเมื่อท่านมากรุงเทพและไปร่วมงานใหญ่ของวัดป่าบ้านตาดไม่ว่าจะเป็นงานบุญประทายเข้าเปลือกงานเปิดโลกธาตุงานครบรอบวันเกิดองคหลวงตาและงานทอดกระิน เมื่อถึงคราวประเทศชาติประสบภัยวิกฤตทางเศรษฐกิจในปีพศ2540ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าองค์หลวงตาได้มีเมตตาอย่างล้นพ้นที่จะเข้ามากอบกู้ชาติที่เสียหายไปจากการที่รัฐบาลสมัยนั้นนำประเทศไปจำนำแลกกับเงินกู้จากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF องค์ท่านได้รวมจิตรวมใจของประชาชนทั้งแผ่นดินในการเข้ามาแก้วิกฤตประเทศชาติโดยการจัดโครงการพป่าช่วยชาติ ระดมได้เงินกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐและทองคำหนักกว่า11ตันเข้าคลังหลวงเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติและเป็นทุนสำรองของประเทศความน่าเชื่อถือของประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในการจูงใจให้มีการลงทุนขยายงานความมีเสถียรภาพของชาติรวมทั้งทำให้สามารถชาระหนี้เงินกู้ของ IMF ได้เร็วกว่ากาหนดไม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเงินกู้ที่บีบรัด ให้ประเทศชาติต้องตกอยู่ภายใต้อนานิคมทางเศรษฐกิจของ IMF ข้าพเจ้าสำนึกในพระคุณของหลวงตาอย่างไม่รู้ลืมที่ท่านได้ยกชาติไทยที่ดิ่งลงสู่หุบเหวกลับขึ้นมาได้ไม่เช่นนั้นจากวิกฤตคราวนั้นเราคงมีสภาพไม่ต่างกับประเทศอาร์เจนตินาซึ่งประชาชนต้องเจ็บปวดและทนทุกยากอยู่จนถึงทุกวันนี้ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เป็นคนหนึ่งในการสนองงานทุกงานที่หลวงตาท่านพาทำ ข้าพเจ้ามั่นใจว่านอกเหนือจากการที่ข้าพเจ้าได้แานคุณพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วข้าพเจ้ายังได้มีโอกาสสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ซึ่งใช่ว่าทุกคนจะได้มีโอกาสเช่นนี้ไม่หลวงตาท่านได้ให้โอกาสลูกศิษย์ในการสร้างบารมีใหญ่แล้วหากข้าพเจ้าไม่ค่ว้คว้าไว้คงเสียชาติเกิดที่ได้มาเป็นมนุษย์และได้พบองค์หลวงตาเมื่อปีพศ2545 แม่ที่รักของข้าพเจ้าป่วยเป็นโรคมะเร็งแพทย์ผู้ตรวจบอกว่าอยู่ในระยะสุดท้ายหากรักษาด้วยการผ่าตัดและให้สารเคมีจะมีโอกาสอยู่ได้อีกปีครึ่งหากไม่รักษาแม่จะมีชีวิตอยู่ได้แค่หกเดือนในตอนนั้นข้าพเจ้าทุกโศกเป็นที่สุดไม่เป็นอันภาวนาเวลาสวดมนกก็จะเป็นเสียงร้องไห้ด้วยความสงสารแม่แทนเสียงสวดมนอันไพเราะ จิตเศร้าหมองระทมทุกข์เป็นเช่นนี้อยู่หลายวันจนคืนหนึ่งหลวงตาท่านได้เมตตามาเยี่ยมข้าพเจ้าในนิมิตและยื่นหนังสือธรรมะให้หลังจากนิมิตรครั้งนั้นข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือธรรมะอย่างตั้งใจใคร่ครวญทุกตัวอักษรและพิจารณาไปตามคำสอนการได้เห็นได้เข้าใจในกฎไตรลักษณ์ทำให้จิตที่เศร้าหมองค่อยๆ ค, คลายลงและยอมรับในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ความเศร้าโศกจางคลายมุ่งมั่นให้แม่ได้ทําบุญให้มากที่สุดตราบเท่าที่แม่ยังมีลมหายใจเพราะบุญจะสะสมเป็นอริยทรัพย์ของแม่ต่อไปเงินของข้าพเจ้าที่ให้แม่ทําบุญแม่ก็ตั้งจิตอธิษฐานบุญนั้นๆพร้อมกันนั้นข้าพเจ้าสอนให้แม่มีพุโทโธอยู่ในใจและข้าพเจ้าก็ได้รับความเมตตาจากหลวงตาอีกครั้งในนีิมิครั้งนี้ท่านได้มาเยี่ยมเข้ามาตบไหลและยิ้มให้ ข้าพเจ้ารับทราบคำพูดของท่านจากการสื่อทางจิตว่าดีมากทำดีมากแล้วนับเป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้าอย่างมากในการมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมต่อไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลงตามีธาตุขันอ่อนแรงจนเห็นได้ชัดร่างกายของท่านสู้ผอมร้องงานของท่านหนักเหลือเกินสำหรับผู้เท่าไวนี้เมื่อข้าพเจ้าพบท่านก็รู้สึกห่วงและสงสารท่านสุดจิตสุดใจ ซึ่งความรู้สึกของข้าพเจ้าคงไปกระทบจิตของท่านเข้าท่านจึงเมตตามาในนิมิตอีกครั้งนี้ท่านมาด้วยร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนเห็นกล้ามเป็นมัดใบหน้าท่านผ่องใสเห็นรอยยิ้มสื่อว่าท่านแข็งแรงดีไม่ต้องเป็นห่วงหลวงตาเจ้าขาลูกขอให้หลวงตามีเมตตาต่อลูกและประชาชนไทยทุกคนต่อไปขอหลวงตาเมตตารักษาทั์ขันจนถึงอายุร้อยีปีนะเจ้ า, า่ะ เพราะหากหลวงตาทิ้งธาตุขันไปโดยที่ลูกหลานไทยยังไม่เข้มแข็งไม่มีศีลธรรมที่มั่นคงไม่มีความเสียสละไม่รักชาติและปกป้องศาสนาด้วยตนเองแล้วชาติศา ส, สนาพระมหากษัตริย์จะอยู่ได้อย่างไรขอหลวงตาเมตตาประคองธาตุขันเพื่ออยู่สั่งสอนให้ลูกหลานไทยเข้มแข็งมีสติปัญญาที่จะลุกขึ้นมาปกป้องชาติศา ส, สนาพระมหากษัตริย์ได้เองก่อนนะเจ้าค่ะด้วยความเคารพรัก เธอทูลบูชาหลวงตามหาบัวเป็นที่สุดหลงชื่อจิราพรแซ่อึง้งเสียงอ่านโดยโจโฉ